บางทีเนี่ยต่อให้แขนด้วนต่อให้ขาด้วนนะปากมันไม่ด้วนไปด้วยนะมันจะต้องระวังปากเราให้ดีว่ามันมันอะไรอะ่ะถ้าใจเรามไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะบังคับปากให้ให้อ่าให้พูดชั่วให้พูดไปเบียดเบียนอย่างรุนแรงเนี่ยได้นี่ร้ายมากเลยนะดูสิโอ้ขนาดเขาหนีแล้วเนี่ยนะ ยังบอกให้หาวุ้นให้หาอะไรเนี่ยตามค่าให้ได้ตะโกนไล่หลังกันนะพูดง่าย ร, ร, ราชราชรถเล่นได้สักพักใหญ่พระราชาก็เสด็จถึงอาสมของฤือีทั้งหลายขณะนั้นหมูลือศีก็ไปสแสวงหาผลไม้ในป่ามีแต่นกปุบพะกะตัวเดียวเท่านั้นอยู่ในอาสมแหมเขาก็ช่างบังเอิญบังเอิญน่ะนะไปที่ ซ่องโจนก็ไม่มีโจนอยู่เลยมีแต่นกกับพ่อครัวคราวนี้มาถึงอาสมฤศีบังเอิญบังเอิญหรือเหลือแต่นกอยู่นะฤศีไม่อยู่เลยไม่รู้ว่าระหว่างฤศีกับโจ น, นี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคอนนี้ก็เหลืออยู่แต่นกปุบพะกะตัวเดียวอยู่ในอาสมนกเห็นพระราชาแล้วก็บินออกมารับเสติ ได้ทำการปฏิสันฐานว่าข้าแต่พระมหาราชาพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่งพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้ทรงอิสรภาพเสด็จมาถึงแล้วของสิ่งใดมีอยู่ในอาสมนี้ขอพระองค์ทรงเลือกเสวยของสิ่งนั้นผลมะพับผลมหาดผลมะสางผลหมากเม่าอันเป็นผลไม้มีรสหวานเล็กน้อย ขอพระองค์จงเลือกเสวยแต่ที่ดีๆและน้ำนี้ก็เย็นนำมาจากซอกภูเขาขอเชิญทรงดื่มถ้าทรงปรารถนาส่วนฤาษีทั้งหลายในอาสมนี้พากันไปป่าเพื่อสแสวงหาผลไม้เชิญพระองค์เสด็กลุกขึ้นไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิดเพราะข้าพระองค์ไม่มีมือจะทูลถวายได้พูดจาแบบ ภัยเละเหลือเกินนะความไัลาะไม่ได้อยู่ที่สัมนวนบอกแล้วอยู่ที่อะไรโอใช่อยู่ที่ใจเนะ่ยอันนั้นมันแน่นอนแต่ที่อาตมาลมกี้บอกไปทีแรกแล้วว่าคําพูดที่ดีเนี่ยต่อให้บางทีเนี่ยใช้ภาษาไร้ด้วยนะเองไปเลยละไปอย่ากที้เนี่ยนะอาจจะเป็นภาษาไร้ที่พูดแบบหนักพูดแรงๆด้วย แต่เรากับถือว่าโอนี่เป็นเป็นภาษาที่ดีอะไรล่ะเพราะว่าภาษานั้นน่ใช้ออกมาด้วยเจตนาที่สร้างสารรนะที่แบบว่าอย่างเนี้ยอย่างตอนเนี้ยปุกพะกะเนี่ยพูดอะไรก็ให้ให้น้ำให้ผลไม้นะพูดไปแล้วเนี่ยก็ล้วนแต่ที่จะให้ให้กับบุคคลอื่นทั้งสิ้น ต่อให้บางทีอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูบ้างอย่างเช่นนั่นแหละสำนวนพวกเราที่เคยเอามายกตัวอย่างกันเน่ะที่พ่อท่านบอกว่าเอาน้ำไปให้เขาอะเสร็จแล้วก็บอกว่าไงฮะอะไรไม่ถึงขนาดนั้นโอ้ยมันเกินไปมีคนวัดพูดเหรอแหมอันนี้พูดเองนั้นนะเขาไม่ไปพูดกันอย่างนั้นฮะ ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบแหม่เอาไปแดกซะนั้นมันั้นเกินไปอยู่วัดไม่ได้หรอกถึงขนาดนั้นนะ่ะตัดรอบทิ้งได้เลยเนั่นคนน อ, อกมาเขาพูดกันหรือว่าเล่ากันขำๆเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่จริงนะแต่ว่ามันมีมันมีจริงตรงที่เรียกว่าพวกเราเนี่ยบางทีเอาน้ำไปให้แขกที่เข้ามาใช่ไหมให้เขากินเราก็อาจจะยื่นไปให้เขาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ นะอา้ากินอะไรเงี้ยอาจจะพูดแบบว่ามันแข็งแข็งหน่อยอะไรหน่อยแมนะแต่ไม่ถึงขั้นดอเด็กหรอกนะ <c oughs> นะไม่ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นโอ้โห <c oughs> ถ้าพูดขนาดนั้นอาจจะมาว่าไม่เพียงแต่เขาไม่มาวัดนี้เท่านั้นนะนะคนพูดอาจจะปากมีสีก็ได้นะอาจจะนะ <c oughs> ต้องเจ็บตัวบ้างหละ เพราะนั้นบางทีเนี่ยแม่เห็นแม่บางทีเราสังเกตดูบางทีแม่สอนรูปเนี่ยบางทีก็โอ้โหใช้ภาษาแรงอยู่เหมือนกันแต่เจตนาแล้วก็การพูดไปเนี่ยเพื่อปราตรนาดีแล้วก็หวังดีแล้วถ้าสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามรับเจตนาอันนี้ได้นะต่อให้เป็นภาษาบางทีทุกวันนี้ที่เขาใช้ว่าภาษาไม่สุภาพด้วยต่อให้ใช้ภาษาคํานี้ก็ได้ว่าว่าเออเองเอาไปแดกนะต่อให้ใช้ภาษาคํานี้ด้วยแต่ถ้าเขา สัมผัสได้เลยว่าเราเจตนาให้จริงๆเขารับวิญญาณจากคําพูดได้รับรองเลยว่าเขาไม่รู้สึกว่าว่าอะไรว่าเป็นคำํำว่าเป็นคําหยาเป็นคําเลวอะไรเลยเพราะฉะนั้นจุดสําคัญของมันอยู่ที่ที่วิญญาณที่เราให้เข้าไปนะภาษาก็เป็นด้วยแต่ว่ายังเป็นรองตัวนี้สิ่งที่เราหยิบยื่นให้เนี่ยมันยิ่งเป็นรองลงไปใหญ่ อันดับหนึ่งคือวิญญาณของผู้ที่ให้นะอันดับสองก็คือเนี่ยสำเนียงภาษาอันดับสามก็อยู่ที่วัตถุที่ยื่นไปพระราชาทรงเลื่อมใสในการปฏิสันฐานของนกปุบพกกะทรงทำการชมเชยว่านกแขกเต้าตั ว, ตวนี้จเจริญดีหนอ ประกอบด้วยคุณธรรมอย่างยิ่งส่วนนกแขกเต้าตัวโน้นพูดคำหยาบคายว่าจงจับมัดพระราชานี้ฆ่าทิ้งเสียอย่าให้รอดชีวิตไปได้เลยเมื่อนกแขกเต้าตัวนั้นลำพัน เ, เพอ้ออยู่อย่างนี้เราได้มาถึงอาสมนี้โดยสวัสดีแล้วก็คือคือเปลยขึ้นมานะว่าโอ้ยนกตัวนั้นกับ น, นกตัวนี้นี่มันคนละเรื่องเลยคนละพบเลย ปุกพะกะฟังพระดํารัสของพระราชาแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันได้เจริญเติบโตที่ต้นไม้เดียวกันแต่ต่างก็พลัดผ่ากันไปอยู่คนละเขตแดนสัตติคุมพร ะ, ะเจริญอยู่ในสำนักของพวกโจรซึ่งเป็นอสสัตตบุรุษส่วนข้าพระองค์จเจริญอยู่ในสำนักของพระฤาษี ซึ่งเป็นสัตตบุรุษในอาสมนี้ฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงต่างกันโดยธรรมคำว่าต่างกันโดยธรรมหมายความว่าไงฮะต่างกันโดยธรรมหมายความว่าไงลองใช้ภาษาใหม่สิที่จะให้เข้าใจง่ายนะ เอถูกอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรอะ่ะเป็นไปตามเนื้อเรื่องแต่ตอนนี้อาจจะมาถา ม, ถามถึงสำนวนสำนวนว่าเนี่ยอปุพะกะเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยทั้งตัวเองกับ น, น้องชายเนี่ยต่างกันโดยธรรมน ะ, ะก็ต่างโดยธรรมนี่ยคำว่าธรรมเนี่ยนะทอทงรอหันมอมาเนี่ย บางทีเขาหมายถึงว่าต่างกันตามความเป็นจริงนะทำเนี่ยหมายถึงตามความเป็นจริงหรือว่าตามสิ่งของตามข้าวของที่มันเป็นไปตามนั้นหรือว่าหรือว่าจณะจะเป็นไปตามกรรมที่มันเกิดขึ้นมาก็ตามแต่เนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคําว่าธรรมะเนี่ยคำว่าธรรมเนี่ยมันรวมเกือบทุกสิ่งทุกอย่างกว้างมากแต่ส่วนใหญ่คนเรามักมาใช้ในแง่ดีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นคํากลาง วันนี้เขาบอกว่าต่างกันโดยธรรมหรือถ้าเราจะใช้อีกอย่างหนึ่งคราวนี้จะใช้ในแง่ดีนะก็คือว่าก็ต่างกันตามแต่ว่าธรรมะเนี่ยจะเป็นผู้จัดสรรแจกแจงให้ต่างกันแล้วแต่ว่าถ้าใครมีธรรมะดีมันก็ไป่างดีใครมีธรรมะน้อยก็ไปทางแย่อะไรเนี้ยนกปุปพบกะยังได้จำแนกทำต่อไปอีกว่า การฆ่าก็ตามการจองจําก็ตามการหลอกลวงด้วยของปลอมก็ตามการหลอกลวงด้วยอาการตรงๆก็ตามการป้นชาวบ้านก็ตามการกระทากรรมอันแสนสาหัสก็ตามมีอยู่ในที่ใดสติคุมพะนั้นย่อมศึกษาสิ่งเหล่านั้นในที่นั้นหมายความว่าบอกว่าโอ้โหเจ้าน้องชายเนี่ยนะ ไม่ว่าโจรจะทำอะไรกันยังไงโจรจะพูดโจรจะเล่นโจรจะไปป้นหรือว่าโจรจะปรึกษากันเพื่อที่จะวางแผนอะไรพูดง่ายๆว่าสติกุมภาเรียนทุกอย่างของโจรเพรา ะ, ะนั้นตั้งแต่เล็กจนโตมาสติกุมพานี่ก็เป็นไงพูดง่ายๆก็คือโจรคนหนึ่งนั่นเอง เพราะว่าอยู่กับโจรจนกระทั่งแบบว่ามีนิสัยมีอะไรเป็นไปตามที่โจรจะเป็นหมดเพราะนั้นสติกุมภาเนี่ยก็คงจะคิดว่าตัวเองนี่ก็คือโจรคนหนึ่งนั่นเองในหมู่โจรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็ร่วมอยู่กับเขาหมดแหละแต่สําหรับในอาสมของฤาษีนี้มีแต่สัจธรรมความไม่เบียดเบียนความสํารวม และความฝึกอินทรีย์ข้าพระองค์เป็นผู้เจริญแล้วบนตักของพระฤาษีทั้งหลายผู้มีปกติให้อาสนะและน้ำแก่ทุกคนนี่เขาก็พูดถึงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โอ้ยมีแต่ฤาษีสอนธรรมะสอนให้สำรวมสอนให้นะควบคุมอินทรีย์ต่างๆนะสอนให้อะไรอีกอรู้จักให น้ำให้อาหารอะไรคนอื่นเขากินคือมาตรงข้ามเลยนะโจนี่ก็สอนให้เห็นแก่ตัวให้ปล้นให้ฆ่าเอาจะคนอื่นเข้ามาแต่ทางฤาษีนี่ก็สอนธรรมะสอนให้ให้คนอื่นเขาให้เสียสละตรงข้ามเพราะนั้น ส, สภาพแปดล้อมเนี่ยเป็นไงต่างกันแล้วสภาพแปดล้อมนี่เป็นอะไร สัมโดนของผู้เจ้าท่านใช้บ้าไงอ่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพ ม, มจันทร์นะไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งนะพระอานนท์บอกว่าสภาพแบบล้อมเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งซึ่งก็คงจะหมายความว่าครึ่งหนึ่งนี่คือสภาพแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลจริงแต่คนนั้นเนี่ยต้องอีกครึ่งหนึ่งรือถ้าคนนั้นไม่ยอมไปตามสภาพแวดล้อมก็ต้องไม่เป็นใช่ไหมนี่เป็นความที่เห็นอย่างของบ้านนท แต่ของผู้เจ้าพู้เจ้าบอกว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสภาพแวดล้อมนี่เป็นทั้งหมดเลยจะดีไม่ดียังไงนี่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีแล้วคนนั้นยากที่จะดีได้นะจะต้องไม่ดีไปตามสภาพแวดล้อมเพียงแต่จะมากจะน้อยนี่ก็แล้วแต่บารมีเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วต้องไม่ดีไปตามสภาพแวดล้อมเหมือนกับยกตัว อ, อย่างง่ายๆอสมมุตินะอ่า เรามีเพื่อนสักคนนึ่งเพื่อนคนเนี้ยือว่ามีนิสัยยังไงอะ่ะชอบกินชอบเที่ยวดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวเขาก็ต้องชวนเราอะ่ะแล้วถ้าเราจะเป็นเพื่อนกับเขานะเราจะเป็นเพื่อนสนิทจะเป็นเพื่อนซีปึกหรือว่าจะเป็นอะไรอะ่ะอยากจะคบกันไปนานๆเขาชว น, นยังไงหนีไม่พ้นหรอกอาจจะปฏิเสธบ้างอะไรบ้างแต่หนีไม่พ้นะยังไงก็ต้องไปดูด้วยกันจนได้อะ่ะ ใช่ไหมล่ะเพราะจะจะคบกันไปมันก็มันก็ต้องไปด้วยกันบ้างอะไรบ้างพันหนีไม่พน้นเพียงแต่ ว, ว่าถ้าเราไม่เก่งเรากลัวว่าเออเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมเป็นเพื่อนเราใช่ไหมเราก็จะตามใจเขางัา้นก็ไปด้วยกันเลยหรือถ้าอย่างนี้ก็โอ้ไอสภาพแวดล้อมนะ่ะเราไปอยู่ในท่ามกลางหมู่เพื่อนยังไงเราก็ไปตามเขาเดะเลยร้อเปอร์เซนเต็ม แต่ถ้าเราเกิดไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนะกับเพื่อนสมมติชอบเที่ยวเตะชอบอะไรแต่ใจจริงๆเราไม่ค่อยชอบนะเราปฏิเสธบ้างอะไรบ้างยังเก่งนะอาจจะมาว่าคนที่ปฏิเสธได้ห้าสิเปอร์เซนต์ี่ก็เก่งแนละนะ้วนะเพราะปฏิเสธบ้างก็ต้องไปบ้างอยู่ดีปฏิเสธบ้างก็ต้องไปบ้างไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนเขาก็ตัดขาดเราแนๆ่ๆถ้าเราลองปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะไม่ไปเลย เราไม่ชอบเที่ยวอ่ะเองไม่ต้องมาชวนข้าเราข้าไม่ชอบเที่ยวอ่ะแต่เขาชอบเที่ยวกันเนี่ยเพราะในที่สุดเนี่ยเขาจะตัดางเราโดยปริยายถ้าอย่างนี้เราก็อีกหน่อยแล้วก็ห่างจากเข้าไปก็คงไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนแต่ในนามแต่พฤติกรรมจริงๆคือไม่จะไปด้วยกันเห็นไหมละ่ะเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันหนีไม่พ้นเลยว่ามันจะบังคับเราไปโดยปริยายแม้เราจะไม่ชอบในสิ่งนั้นแต่ เมื่อจะต้องอยู่กับเขาอ่ามันก็ต้องไปด้วยกันจนได้เห็นไหมล่ะมันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพราะอย่างนี้นี่เหมือนกันสาสมว่ามาอยู่วัดวัดทีามีกฎระเบียบอย่างนี้อ่าต้องมากินพยายามกินมื้อเดียวนะอ่าต้องกินบังสวิรัตินะเอาแล้วทอพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราจะกินมังสวิรัติมัง่งไม่กินมัง่งนะกินมื้อเดียวมัง่งกินสีมื้อมัง่งอ่าอย่างเงี้ย ม, มันอยู่กับเขาไม่ชักไม่ทอยได้แล้วเพราะเขาก็ต้องเอ๊ก็ต้องติก็ต้องว่าแล้วใช่ไหมเห็นไหมล่ะในที่สุดนะในที่สุดของที่สุดก็คือว่าก็ต้องพยายามกินมือเดียวให้ได้ต้องกินบังสซูรัดให้ได้แล้วถึงจะอยู่กับหมู่กับพวกนี้ได้เห็นไหมงบไม่อย่างนั้นแล้วหนีไม่พ้นเลยเพราะอันเนี้ยเราเราจะต้องเข้าใจว่าออมันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้นี่เอง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้เท่ากันหมดตอนนี้บุพกะก็ก่าวต่อไปอีกว่าข้าแต่พระราชาบุคคลคบคนใดเป็นสัตรบุรุษหรืออสัตรบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคล น, นั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคล น, นั้นนั่นเทียว บุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปซ่องเสพคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นอาจารย์คบกับลูกศิษย์ย่อมทําลูกศิษย์ผู้ยังไม่แปดเปื้อนให้แปดเปื้อนได้หมายความว่าไงอาจารย์คบกับลูกศิษย์ย่อมทําลูกศิษย์ที่ยังไม่แปดเปื้อนเนี่ยให้แปดเปื้อนได้ หมายความว่าย่งไรนะใช่อันนี้ยอมเชื่อพูดถูกเพราะว่าอาจารย์เขาปรุสิน์เนี่ยนะบางทีลูกศิษย์เนี่ยดีนะแต่อาจารย์นี่ไม่ดีลูกศิษย์ก็ต้องทําตามอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์จะแนะยังไงจะอะไรยังไงทําตามอาจารย์ในที่สุดลูกศิษย์ก็เปะไปตามอาจารย์ อ, อันนี้มีอีกว่า หรืออาจารย์ถูกลูกศิษย์พาแปะเปื้อนแล้วย่อมพาอาจารย์อื่นๆให้แปะเปื้อนอีกตอนนี้กลับกันนะสมมุติว่าต่อให้อาจารย์ดีก็ตามแล้วลูกศิษย์ไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยก็ครบรูปศิษย์แบบนี้ครบลูกศิษย์ไม่ดีก็มีทางที่จะไม่ดีเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องขององคุลีมาเนี่ยตอนแรกอาจารย์นี่ดีนะ แต่ปรากฏว่าตะหลังเนี่ยลูกศิษย์อิจฉาริษยาอาหิงสกะนะจนกระทั่งเรียกว่าไปเป่าหูอาจารย์เป่าหูอาจารย์ในสุดอาจารย์นี่ก็เลยหูไม่หนักพอโดนเป่าไปเป่ามาก็เลยเชื่อแล้วก็เลยทำลํำร้ายอหิงสกะโดยหลอกให้ไปฆ่าคนนะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ลูกศิษย์ก็สามารถที่จะทําให้อาจารย์แปดเปื้อนได้เหมือนกันถ้าถ้าอาจารย์ก็ไม่เก่งพอเนี่ยเห็นไหมการครบเนี่ยเขากำลังพูดสภาพแวดล้อมพูดถึงการครบเพราถ้าครบอะไรแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทําให้เราไปตามนั้นได้ถ้าเราไม่มีบารมีจริงแล้วเราเนี่ยไม่มีอินทรีย์พระจริงแล้วบางทีมันก็ไปตามนั้นแหละนะเหมือนลูกศรที่เปื้อนยาพิษแล้ว ย่อมทำแร่งลูกธนูให้เปื้อนอ่านะเหมือนลูกศอนที่อาบยาพิษเนี่ยพอทำแร่งลูกธนูแรงนี้แร ง, แ ร, งรู้ไหมแร่งลูกธนูฮะเอ่อก็ล่องนั่นแหละล่องของเอ่อล่องมันจะมีแบบหน้าไม้อะหน้าไม้อะนะที่มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นล่องใส่ลูกดอกอ่า เพราฉะนั้นถ้าไอ้ลูกดอกเนี่ยไอ้ลูกธนูเนี่ยมันอาบยาพิษใช่ไหมไอ้ร่องนี้มันคูดกับไอ้ไอ้ลูกลูกธนูนี้ไปบ่อยๆมันก็มันก็ติดยาพิษไปด้วยฉะนั้นนักปราดไม่พึงมีสหายลามกเลยเพราะกลัวการแปดเปื้อนด้วยบาปนี่เขาเปรียบว่าเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยถ้าเรามีจิตสํานึกเรามีศีลอยู่ในหัวใจเราคอยนึก ถึงศีลอยู่เสมอนึกถึงความดีอยู่เสมอเนี่ยนะเราจะไม่อยากที่จะไปแปดเปื้อนบาปเลยคือไม่อยากจะไปทําอะไรให้มันผิดศีลถ้าคนที่มีศีลอยู่ในหัวใจยยจริงๆนะแล้วคอยระลึกถึงศีลอยู่เสมอๆเนี่ยพราะพอจะไปทําอะไรที่มันผิดศีลเนี่ยโอโมันเดี๋ยวมันเปิดนะเดี๋ยวมันเลอะมาถึงมาถึงตัวเรานะเพราะยนั้นไม่อยากเลยไม่อยากที่จะไปทําให้ตัวเองเนี่ยเปิดเลอะไปผิดไปบาปใน ในสิ่งนั้นนั้นนรชนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคานั่นนรชนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาใบหญ้าคานั้นก็ย่อมมีกลิ่นเน่าฟุ้งไปชันใดการเข้าไปคบคนพานก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่นี่เป็นคำเปรียบ เอาใบหญาคามาห่อปลาเน่ า, เาแม้จะเอาปลาปลาเน่าทิ้งไปแล้วก็ตามแต่ครนนี้ใบญ า, าคาก็ต้องยังไงก็ต้องติดกลิ่นเหม็นเอาไว้ด้วยนะเหมือนกับการไปคบคนพาลพระพูทเจ้ า, จาท่านเปลี่ยนเหมือนกันนี่ต่อให้ใหเอาปลาเน่าทิ้งไปแล้วนะแต่ใบหญาคาก็ต้องมีกลิ่นของปลาเน่าอยู่นี่ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม่ยว่าเออถ้าใบหญาคาเนี่ย อยู่อยู่กับปลานะมีสภาพแวดล้อมคืออยู่กับปลาปลาเนา่าเพราะฉะแม้ว่าพออยู่กับปลาเน่าเนี่ยมันต้องเหม็นแน่ๆแล้วไอ้ตอนตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเหม็นแน่ๆอยู่แล้วแต่ต่อให้อาตมาสมมุติว่าต่อให้เอาปลาไปทิ้งแล้วก็โอ้โหกลิ่นก็ยังเน่าอยู่เลย น, นี่ขนาดว่าเหมือนกับเราเนี่ยบางทีเราตั้งใจจะถือศีล น, นะตั้งใจตั้งใจที่จะ ลดละกิเลสตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ตามต่อให้เราตั้งใจดีแล้วก็ตามนะบางทีเนี่ยเราพยายามสลัดแล้วพยายามเอ๊ะไม่กินไอ้นี่ไอ้นี่เราชอบนะกิเลสเราเกินไปไม่เอาไอ้ดูนแล้วไอ้ดูนแบบเราเคยติดอะไรเงี้ยนะขนาดว่าเราพยายามอย่างเนี้ยบางทีอะไอ้เชื้อกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันยัง โอ้โหยังเล่นงานเราได้อยู่เลยเห็นไหมว่า ม, มันไม่ง่ายเลย น, นี่ขนาดว่าเราพยายามจะเอมันทิ้งแล้วนะเพราะนับภาษาอะไรกับคนที่มีกิเลสอยู่แล้วเราก็ไม่พยายามที่จะตัดทอนมันออกไปไม่คิดพยายามที่จะตั้งตะบะหรือว่าตั้งศีลขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดมันเพราะนั้นคนนั้นยิ่งเท่ากับว่าเป็นสภาพเหมือนกับหญ้าคาห่อปลาเน่าอยู่เลย เพราะนั้นมันมีแต่เหม็นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่จะหายเหม็นได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เรารู้ว่าเราติดไอ้สิ่งนี้อยู่แล้วสิ่งนี้เรารู้ว่าเป็นกิเลส ข, ของเราอีกด้วยจริงๆเนี่ยเรายิ่งต้องพยายามลดละหรือว่าเลิกมันออกไปนะไอ้ตอนเนี้ยลดละเลิกออกไปนี่ยังเป็นแค่เอาปลาเน่าออกจากหญ้าคาเท่านั้นอาบหาคาเท่านั้นเองยังแค่สภาพนี้เท่านั้นนะแต่กลิ่นของ ปลาเน่ายังอยู่เลยเรายจะต้องมาเสียเวลาที่โอเอาไปพึงแดดหรือเอาไปล้างน้ําหรือจะต้องไปอะไรอีกนะกว่ามันจะไอใบยญ้าคาี่จะหายเหม็นกลิ่นปลาเน่าเรายังจะต้องไปเพียนอีกไปเพียนที่จะถือศีลไปเพียนที่จะไปลดลากกิเลสเราจนกระทั่งโอ้กิเลสมันจางจางจางจ น, จ น, จนหมดไปทีนี้ก็พูดต่อว่านราชนใด หอกฤษศนาด้วยใบไม้แม้ใบไม้ก็ย่อมหอมฟุ้งไปฉันใดการเข้าไปคบนักปราบก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะเหตุ น, นั้นบัณฑิต ร, รู้ความเปลี่ยนแปลงของตนดุดคอใบไม้แล้วไม่ควรเข้าไปคบหาอสสัตตบุรุษแต่ควรครบหาสัตตบุรุษเท่านั้นด้วยว่าอสัตตบุรุษย่อมนําไปสู่นรก ส่วนสัตตบุรุษย่อมพาไปถึงสุขติพูดง่ายว่าตอนนี้นกบุพกะเทศให้พระราชาฟัง น, นั่นคืสรุปง่ายๆเพราะว่าพระราชามานี่พูดง่ายนะเหมือนกับนี่ยกตัวอย่างเหมือนกับปรากฏว่าโอ้มีวันไหนก็ไม่รู้ ทั้งพระทั้งสมนุตเทศทั้งนักบวชไม่อยู่เลยวันนั้ น, นอ่ะโอ้โหไม่แน่นะแม่ครัวอาจจะขึ้นธรรมาสเทศให้แขกกู้มาเยือนวัดฟังหรือไม่ก็นะคนวัดนั่นแหละใครโอ้ฝีปากจันเยี่ยมอาจจะขึ้นธรรมาต เ, เองมันก็ไม่มีพระอยู่เลยอะ่นะวันนี้ขึ้นธรรมาสเทศเองเลยก็เหมือนกันก็สติคุมพระเอะปุพกานี่เหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหม เ้าอาสมอยู่อะพวกฤาษีไปหมดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแล้วลาบปากลาบปากนี่ไม่ใช่เรื่องกินนะลาบปากนี่คือมาแล้วของหวานมีคนมาให้เทศแล้วเอาเลยเจอคราวนี้เทศใหญ่เลยนะปุบพกาศก็เลยโอ้โหเทศให้พระราชาฟังใหญ่พระราชาก็หูพึงเลยนะก็ชอบด้วยพระเจ้าปัญจา ปัญจาราชทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของนกปุพกะพอดีกับหมู่พระฤาษีกลับมาจากป่าพระราชาจึงทรงนมัสการพระฤาษีทั้งหลายแล้วตรัสว่าเออนึกถึงอย่างหนึ่งเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเขามาวัดเขาประทับใจเนี่ยเขาไม่ได้ว่าไปฟังเทศ เขาประทับใจนี่ไม่ใช่ว่าไปฟังเทศ <c oughs> ฟังเทศพระนะแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยพวกที่เราไปต้อนรับอะ่ะพวกคนวัดั้งคารวาะเนี่ยแหละไปต้อนรับไปพูดจาดีโอแนะนําโนนแนะ น, นํานี่นะเข้าใจพูดนะแล้วก็ปฏิสันถานดีเพราะฉนั้นปรากฏว่าโอ้เขาอยากจะมาฟังธรรมเลยเขาอยากจะฟังเทศเลยเพราะอะไร พราะขนาดผู้มาต้อนรับแหมมือขนาดนี้ไอ้ไม่ใช่ปากขนาดนี้นะโอ้โหนะสมพานี่จะขนาดไหนใช่ไหมหรือนึกโอ้โหพ่อท่านนี่จะขนาดไหนนะอ้าจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าจะดูแม่ทัพนี่ก็ต้องดูที่พลทหารด้วยไม่ไม่ใช่ลูกทัพแหมใช้ภาษานพราะอ๋อถ้าแม่ทัพก็ต้องลูกทัพเหรอ พลทหารสิกองทัพนยกองทัพเขาเรียกน่แม่ทัพใช่แต่ทหารเกณฑ์ทหารทหารเล็กๆนี่เขาเรียกพลทหารนะไม่ใช่ลูกทัพนะนั่นแหละมันมีผลมันมีฤทธิ์เพราะบางทีพวกเราบางคน ถ, ถ้าถ้าถ้าคิดอย่างนี้นะอาตมาว่าจะเป็นคนที่ ให้ค่าแล้วก็เห็นความสาคัญของตัวเองด้วยว่าเออถ้าเราทําตัวให้ดีเนี่ยแม้เราจะอยู่ที่วัดก็ตามหรือเราจะออกไปนอกวัดก็ตามแต่ถ้าเราเนี่ยไปสร้างสิ่งที่ดีหรือว่าไปทําให้คนอื่นเห็นว่าเออขนาดเราเองเนี่ยซึ่งเรามาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาถือศีลเป็นฆราวาสเรายังสามารถที่จะทําตัวเราเองให้ดีได้ถึงขนาดนี้คนอื่นเนี่ย เขาเจอเราเนี่ยเขาจะรู้สึกหรือว่าโอ้โหแสดงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะหรือว่าสมานาธิวัดนเนี่ยจะต้องสอนคนไปได้ดีถึงได้ทำให้อะไรโอเขาพบเขาเจอสิ่งที่น่าประทับใจได้มันมีผลจริงๆเพราะนั้นไม่ว่าจะแม่ครัวไม่ว่าจะไม่ใช่ลูกครัวนะนะ <c oughs> หรือว่านั่นแหละแผนกไหนอะไรไหนก็ตามแต่ อาตมาว่าโดยเฉพาะอาตมาขอย้าตรงนี้เวลาบางทีเราอยู่วัดเราก็ดีปกติของเราแต่พอเวลากลับบ้านเนี่ยบางทีระวังอย่าไปปล่อยเปรตนะนะเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกเอาจิงๆนะบางคนไปปล่อยเปรตจริงๆเวลากลับบ้านไอ้ปล่อยเปรตนิดนิ ด, น ด, นดหน่อยหน่อยก็แหมพ อ, อ, อพอทนได้แต่บางทีไปนี่โอ้โหเต็มสตรีมเลยนะ ไปปล่อยเปที่วัดนี่คืออะไรรู้ไหมตื่นก็โอ้โหน่าเกลียดมากคือตื่นสายมากนะจนเขาบอกว่าโอ้โหนี่แกอยู่วัดแกตื่นอย่างเงี้ยเหรอนะหรือเอาละบางทีเขาก็รู้ว่าที่วัดนี้เขาไม่ได้ตื่นสายอย่างนี้นะแต่เขาอาจจะพูดมาแบบเสียบๆว่าโอ้โแกอยู่วัดนี่แกอ่อนหลับอ่นอนมากทั้งเหลอมาที่นี่แกถึงได้สะสางบัญชีถึงขนาดนี้ เพราะนนอย่าไปน่าเกลียดเกินไปเอาจริงๆแล้วบางคนนี่นะติดนิสัยด้วยอนนาจมาอยากจะบอกเลยคล้ายๆกับว่าเนี่ยพออยู่ท่ามกลางหมู่มิตรสายดีใช่ไหมมีกฎที่ดีมีระเบียบที่ดีเนี่ยมันก็เลยพอยปรับตัวให้ดีแต่พอไปอยู่บ้านเนี่ยชอบนึกว่าเอาตอนนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องมีกฎระเบียบไม่ต้องมีอะไรใช่ก็เลยประเภทอยู่ไหนก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่นั้น แมอัตมาเราก็เชื่อเลยนะทําเป็นยิ่งจบเปลี่ยนสีไปได้นะไปตามเพดานนะอยู่เพดานสีไหนก็ไปตามสีนั้นไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่กลมกลืนกับสถานที่โอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงมันก็ต้องให้กลมกลืนกับเขาบ้างแต่มันไม่ใช่ว่ากลมกลืนจนกระทั่งเป็นสีเดียวกับเขาเลยอย่างงั้นมันน่าเกลียดเกินไปนะจนกระทั่งบางทีเนี่ยมันมันไม่ใช่หรอกเราไปตีกิน ขนาดว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขายังตื่นสายของเขาเขาก็ยังตื่นกันเออบางทีตีห้าหกโมงเขาก็ตื่นนะไอ้ปรากฏว่าเรานี่เอาเลยเขาเลยนั่นนูน่น9ก0โมงสิบโมงอะไรนู่นไปเลยไ อ, อ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนี่เป็นการตีกินของเราเอง